ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกราจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญาบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญญาบุรีค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต้นชองระอาไม้พื้นถิ่นจันทบุรีเมื่อวันที่18สิงหาคม2562คณะเทคโนโลยีสังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต้นชองระอาไม้พื้นถิ่นจันทบุรีภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริณะบริเวณพื้นที่ของ โครงการอภสธวิทยาเขตจันทบุรีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเจเจจันทร์อาจไทยสงเป็นผู้รับผิดชอบโครงการซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง10ปีและในปีนี้เป็นปีที่3โดยในปีแรกเป็นการเริ่มปลูกต้นชองระอาจำนวน102ต้นต่อมาในปีที่2ได้ทำการติดตามดูความเจริญเติบโตของต้นชองระอามีการปลูกทดแทนต้นที่ตายไปและในปีนี้ยังคงทำการติดตามดูความเจริญเติบโตและเรียนรู้ขั้นตอนการขยาย น อ, อ น, อนอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมของโครงการยังเป็นกิจกรรมที่มีการบูรณาการรายวิชาสถิติธุรกิจกับการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคมเพื่อปลูกจิตสำนึกเรื่องความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์หมออาจิมสว่างชีพและอาจารย์นันทวันใจกล้าจากวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี และโรงเรียนแพทย์แผนไทยสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดจันทบุรีเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์จากต้นชองระอาและสมุนไพรพื้นบ้านและยังมีตัวแทนจากชุมชนชองตมบุญตะเคียนทองอำเภอเข่าขี้จิกูจังหวัดจันทบุรีมาให้ความรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุ์ต้นชองระอา อ, าอีกด้วยวิชิดาจินดาดามประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประธานสภาหอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเผยไม่แปลกใจตัวเลขเศรษฐกิจตกลงแนะภาครัฐกระตุ้นภาคเอกชนลงทุนพยุงเศรษฐกิจกรณีสำนัก ง, งานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอสอชอประกาศตัวเลขอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจหรือจีดีพีไตรามาสที่สองของปี2562ขยายตัว 2.3 เปอร์เซ็นต์ต่ำสุดในรอบ19ไตรามาส หรือสี่ปีครึ่งทำให้ช่วงครึ่งปีแรกของปี2562 GDP ขยายตัว 2.6% ส, ะสะชชจึงปรับประมาณการ GDP ใหม่คาดขยายตัว 3.0% หรือกรอบ 2.7- ถึง 3.2% จากเดิมที่คาดขยายตัว 3.6% หรือกรอบประมาณการ 3.3 ถึง 3.8 เปอร์เซ็นต์นั้นนายสุพันธ์โมงคลสุดทธี่ประทานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทอกล่าวว่าไม่แปลกใจ่ายกับตัวเลขศรรษฐกิจของสอสชอเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าตัวเลขจะไม่สูงเนื่องจากการส่งออกของไทย ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าเวลานี้ภาคเอกชนกำลังจับตามมาตรการณกระตุ้นเศรษฐกิจกว่าสามแสนล้านบาทที่จะออกมาโดยต้องการให้เม็ดเงินดังกล่าวถึงมือเป้าหมายอาชีพเกษตรกรผูพ้ประกอบการเอสเอ็มอีภาคการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงท้ายของปีขณะนี้อยากให้รัฐบาลจับตาบริษัทขนาดใหญ่ที่มีบริษัทลูกหลายบริษัทและให้บริษัทลูกเข้ารับความช่วยเหลือจากมาตรการของรัฐ อาทิสินเชื่อสำหรับเอสเอ็มอีที่มีวงเงินรวมหนึ่งแสนล้านบาทรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ใ น, นต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธั ญ, ญาบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงนิวส์อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญาบุรี